บทที่ 9. เก้า่อลงับความตื่นเต้นประลาดใจลงได้ดอร์สเตลลี่หัวเราะหา่าลงเข้ามาตบไหล่ร้องออกมาว่าบ้าแล้วกันละพินเห็นคุณเดินหายไปข้างหน้าตั้งนานแล้วอยู่ไม่อยู่ก็โผล่ออกมายังไงพวกเราไม่ทันรู้ตัวเลย ในป่ามันมีทางให้มาให้ไปได้ทุกทางนะครับสําหรับคนป่าอย่างผมหรือสัตว์ป่าทุกตัวพวกคุณอาจจะเห็นผมเดินนําไปเบื้องหน้าและคิดว่าผมคงจะอยู่ทางหน้าตลอดไปก็เป็นความเข้าจิตใจผิดมากจีตีย๋ผมอาจจะวอกลับมาเดินตามหลังพวกคุณโดยที่พวกคุณไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ได้จอมผ่านจุดซิก้าแล้วถอนออกจากป่าข้คนควันอันฉุนกึกดระหว่างที่พวกนั้นยังนิ่งงันกันอยู่เขามองปลาดไปยางทุกคนถามยิ้มยิมว่าเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยมากไหมวันนี้ เราเพียงแค่อุ่นเครื่องกันเท่านั้นผมคิดว่าพรุ่งนี้พวกคุณจะเดินได้มากกว่านี้และจะทวีความอดทนแข็งแกร่งขึ้นไปทุกวันด้วยความเคยชินสําหรับวันแรกก็อาจจะเหนื่อยมากหน่อยไปยังไงมายังไงกันนี่ฉันไม่คิดว่าคุณจะหันกลับมาที่พวกเราอีกเลยนอกจากนําหน้าเรื่อเรื่อไปอย่างเดียวเบลถามมาน้าเสียงแสงอาการอินดีอย่างเปิดเผยแต่คริสยังนั่งใบหน้าขมอยู่เช่นเดิม ผมไม่ใจร้ายถึงขนาดนั้นหรอกครับพราถึงอย่างไรผมก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของนายแจ้งทุกคนอยู่แล้วที่แรกนึกว่าจะเดินตามผมได้ทันเพราะเห็นทุกท่านแข็งแรงทรหดกันดีอยู่ผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆจะได้ทำเวลาให้สึงที่ที่เราควรจะพักในคืนนี้เสียโดยเร็วแต่พอทราบว่าทุกท่านหยุดพักผมก็เลยต้องย้อนกลับมาดูแล้วพวกลูกค้ากับพานเพื่อนเมืองของพวกคุณหลักเชืถามาบ้าง พวกนั้นเดินรุ่งหน้าไปก่อนแล้วครับตามเส้นทางเพราะเขารู้ดีว่าต้องไถ่หน้าไปยังสุดไหนก่อนไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาหรอกประเดี๋ยวเราจะเดินตามไปที่หลังพวกนั้นน่าจะจัดที่พักและเตรียมหุงหาอาหารให้เราคอยท่าพร้อมอยู่แล้วอีกไม่เกินชั่วโมงเดียวเดินกันตามสบายเราก็จะเข้าถึงหมู่บ้านซัก บ, บอร์ในหุบเขาเบื้องหน้านี้ แล้วเขาก็หันควับไปทางคริสผู้ทําท่าจะเองกายลงนอนเหยบยาวกับพื้นน้องพักว่าอย่านอนครับครสถ้าหลังของคุณแตะพื้นเมื่อไหรคุณก็จะหลับและไม่มีแรงเดินต่อไปอีกเลยอดใจเอาหน่อยเอาแค่นั่งพักผ่อนพอหายเหนื่อยและหาใจเดินอีกสัระยะเดียวเท่านั้นซัสเซนาชนะขมวดคิ้วทําหน้ายุ่งมองดูเขาแล้วนั่งชันเขา่าลักษณะของคุณเป็นคนเลือดเย็นพิลุกความรู้สึกมันบอกฉันอย่างนั้นผมเป็นคนเลือดอุ่นครับไม่ได้เป็นสัตว์เลือดเย็นแบบสัตว์เลื้อยคลานหรอก เอาละจะพักกันสักนิดก็ได้ให้เวลาเพียงไม่เกินส0นาทีจากนี้เป็นต้นไปไม่อย่างนั้นเราจะต้องเดินกันในเวลากลางคืนซึ่งจะไม่สะดวกสำหรับพวกคคนนะักสงกะว่าอย่างช้าที่สุดเราควรจะถึงที่พักก่อนสองทุ่มในคืนนี้ว่าพางเขาก็หย่อนการลงมากบนขดติเตี้ยเต้ยลูกหนึ่งขณะน้านอ า, ากาศในกลุบมมือสลัวลงมากแล้วเสียงขึ้นนี้ โผอยู่รอบด้านทั่วไปแล้วคนเป็นกระเสียมลงยุงบนยอดไม้สูงซึ่งมองไม่เห็นตัวทําไมเราไม่พาไปตรงนี้ครสพูดทางยกข้อมือขึ้นดูนี่มันก็ใกล้คําเต็มที่แล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องรีบร้อนอะไรนะักคุณเล่นเวลาเดินของพวกเราเหลือเกินในช่วงบา่ายนี้ผมไม่ได้เล่นหรอกครับแต่พวกคุณดูเหมือนจะเล่นตัวเองเสียมากกว่าซึ่งก็เป็นการดีแล้วเป็นการซองกิดเทาากันไว้ด้วยเดี๋ยวก่อนเหตุผลที่ผมไม่คิดจะวางแคมป์ที่ที่นี่ก็เพราะมันห่างไกลน้ําและไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวง จุดหมายที่กําหนดเอาไว้ก่อนแล้วนั้นมันสะดกสบายมากกว่าถามอะไรหน่อยได้ไหมเบลเอ๋ยสวนมาทันทีอาการของหรอนแจงความเป็นมิกับเขาอย่างเปิดเผยราวจากอันสันเลนตากับคริสผู้อมภูมิปั้นปึงและไว้ตัวถ้าถามเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียสหรือสมรภาพตั้งสีแล้วก็อย่าถามผมเลยสอบไม่ได้หรอกครับราวๆไม่ได้ถามเรื่องนั้นหรอกแต่อยากจะถามว่าคุณเดินยังไงพวกเราถึงเดินตามไม่ทัน ทั้งที่เราก็เห็นว่าคุณเดินไปตามธรรมดานี่แหละแต่พวกเรากลับจ้ำเป็นจนหมดแรงและพินซ้อนยิ้มก็นั่นน่ะสิครับผมก็เดินไปตามธรรมดานี่แหละไม่ได้วิ่งหรือบันโจนไปอย่างอีลาสักหน่อยพวกคุณตามผมไม่ทันเองสังทางไปถามว่าทำไมาให้งโง่นะเบลเชิดบุษสอดขึ้นควรจะถามตัวคุณหรือพวกเรากันเองว่าเราเคยเดินอยู่ในป่านานสักเท่าไหรและละพินเดินป่านานเท่าไหรมันไม่ใช่จุดอ่อนของพวกเราเลยในการที่จะเดินตามเขาไม่ทันความชำนั้นผิดกันอยู่แล้ว พวกเรานะ่ะอาสาสมัครที่ถูกคัดเลือกตัวมาเท่านั้นในการเดินป่าครั้งนี้แต่ละพินเนะี่ยมันอาชีพของเขามาโดยตลอดทั้งชีวิตจะเทียบกันได้ยังไงกันตัวก็เล็กขาก็าไม่ยาวอะไรนะักแต่ไปลกับผีเสื้อคลื่นส่วนอุบัตภัเอาผ้าคนหนูเล็กๆ ข, ขึ้นมาเช็ดเหงื่อตามลําคอและใบหน้าตัวเล็กขายาวหรือไม่ยาวนะ่ะไม่เป็นปัญหาหรอกครับปัญหามันอยู่ที่ว่าพวกคุณเก้าหนแต่ผมเก้าไปแล้วอย่างน้อย3าม ช่วงระยะมันก็เลยยาวกว่ากันอีกอย่างหนึ่งพวกคุณไม่เคยชินกับอากาศในส่วนร้อนแบบนี้พอะออกแรงเหงื่อก็ออกมากและเหงื่อออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหมดแรงเร็วขึ้นเท่านั้นพวกผมมันเคยชินเสร็จแล้วเหงื่อก็ไม่ค่อยจะออกมากนักก็เลยไม่ค่อยจะเหนื่อยและถ้าไม่หิวน้ําจนทนไม่ไหวจริงๆพวกผมก็จะไม่ดื่มน้ํากันเป็นอันขาดการเดินเหนื่อยมากๆแล้วดื่มน้าเต็มกระหายจะยิ่งทําให้หมดแรงเดินและถ้าลงนั่งพักแล้วยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งหมดแรงเดินมากขึ้นเท่านั้น แล้เขาก็หาไปทางอาร์เจนตคุณหมอเบลครับในฐานะแพทย์คุณควรจะทราบดีว่าวิธีจะชดเชยความอ่อนเปรีย่ยนที่เสียเหงือไปมากนั้นควรจะทําอย่างไรแม่ผมแดงมองเขาอย่างทึ่งๆ่งแปลว่าคุณจะยุให้พวกเรากินเกลือในขณะนี้นะหรือนั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์หรอกหรือในทฤษฎีอาจจะใช่แต่ไม่ไหวหรอกโดยข้อเท็จจริงพวกเราขีวน้ํากันอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าถืนให้กินเกลือเข้าไปอีกก็จะยิ่งกระหายน้ําขึ้นไปใหญ่ พวกเรายังไม่ได้เป็นอดหนี่จะได้อดน้ําได้ทนอย่างคุณแต่ว่าแต่ตัวคุณเองเถอะถ้าเลือกอาชีพวัคคุเทศตำทางเมื่อไหร่ก็ให้สมัครชิงชัยกีฬาเดินเร็วในสนามโอลิมปิกเถอะรับรองไม่มีใครสู้คุณได้หรอกทานใหญ่หัวเราะและสัตสิส่าช้าช้ผมนะ่าจะเดินได้เร็วก็เฉพาะแต่ในป่าเท่านั้นล่ะครับถ้าไปเดินในที่เรียบเรียบอย่างเดินทางทางเดินแข่งขันโอลิมปิกผมคงจะแพ้เขาแน่แน่ภกันพอสมควรแล้วไปกันยังล่ะครับประโยคท้ายเขาเร่งเอาดื้อ สองแหมมสาว ย, ยังอิดเพื่อนอยู่คริสร้องออกมาว่ายังไม่ทันจะหายเหนื่อยเลยค่ะช น, นะแทบจะกล้าไม่ออกแล้วทั้งทั้งที่เคยเป็นแชมป์วิ่งเร็วมาก่อนสมัยที่ยากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฉันก็เหมือนกันเคยแข่งว่ายน้ําในโอลิมปิกมาแล้วได้ที่3แต่มาเดินตามหลังคุณบายวันนี้เหรียญทองแดงของโอลิมปิกของฉันมันไม่มีความหมายอะไรเลยเบลล์รออุทานมาอีกคนหนึ่งพักอีกสักห้านาทีธนารพิน์สุภาพสตรตีทั้งสองของเราถ้าจะไปไม่ไหวจริงๆ มันเป็นความผิดของผมเองที่ไปชนพวกเราให้เดินกวดตามหลังคุณถ้าเราเดินกันอย่างออมแรงกันไปตามปกติก็คงจะไม่เหนื่อยมากนักดตอร์สเตอรี่บอกตรลงครับอีก5นาทีก็ได้แล้วก็หันไปตบเขา่าเชิดวอดซึ่งนั่งราบ ก, กับพื้นไม่ห่างออกไปนักเป็นยังไงบ้างครับคุณเชิดวุดสายตาของเชิดวอดขนาดนี้จับอยู่ที่เป้ากังเกงเดินป่าอันมีรอยแตกปริเพราะความตึงของคริสหยุดเกือบสะดุ้งหยงปากบอกออกไปโดยไม่ยอมเปลี่ยสายตาว่าสบายอย่าห่วง ให้นั่งทักอีกสักนาสักเท่าไหร่ก็ได้วิวป่าแถวนี้สวยงามมากจอมพรานยักไหลดับสิก้าลงเมื่อมันเหลือครึ่งตัวแล้วเอาทัถูไว้บอกเบาๆว่าป่าแถวนี้ยังไม่สวยนันหรครับแต่มันจะสวยกว่านี้อีกมากนะักถ้าเราเดินไกลออกไปคุณจะได้เห็นหญ้าเป็นสีทองหรือสีแดงงามระยับแต่ให้ระวังมีควาย ต, ต, iale, ตัวโตๆไว้บ้างเฮ้ยอยู่ทั้งสองคนนั้นนะคริสพูดข้ามหัวมาอย่างหงุดหงิดพูดอะไรกันงุนๆงงำๆฟังไม่รู้เรื่อง ตอไปนี้ผู้ภาษาอังกฤษกันเสียทีได้ไหมผมจะได้ฟังรู้เรื่องบ้างทุกคนพูดไทยได้หมดบินแต่ผมคนเดียวที่ยากที่สุดขอร้องเถอะนะคริสเดลแล้วก็บ๊อบด้วยควรจะพูดให้ผมรู้เรื่องบ้างจะได้ไม่ต้องแปลซ้ำมันจะช่วยให้สะดวกขึ้นอีกมากผมไม่ใช่คนอื่นนะว้ยอย่างน้อยก็เป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งที่ร่วมคณนาอยู่ด้วยทําไมพวกเราทั้งหมดจะต้องไปพูดภาษาไทยกับระพินและเชิดบุตรด้วยในเมื่อทั้งสองคนนั้นผู้ภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้วระพินกับเชิดบุตรนิ่งเฉยทําเป็น ลอสตร์สเตอ์ผู้เป็นหัวหน้าคณะจึงกล่าวขึ้นว่าคำขอร้องของคิดมีเหตุผลต่อไปนี้พวกเราทั้ง6คนใช้ภาษาอเป็นภาษากลางเถอะคิดจะได้ฟังได้ด้วยยกเว้นแต่จะติดต่อกับพวกลูกหาบหรือพวกพลัพื้นเมืองเท่านั้นแต่ผมไม่ชอบ Speak English และพินพูดหน้าตาเฉยวอตเบลร้องสันถามมากิสเซน่าหัวล็อกกิ๊กออกมาเป็นครั้งแรกของบ่ายวันนี้ยามหัวเราะหรือยามยิ้มเดือดสุด แม่ผมทองสวยน่ารักน่าพิสมัยไม่ใช่เรื่นแวบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของรัพินทร์ไพวันแต่แล้วมันก็สลายวัดไปกับตาเมื่อใบหน้าของแม่ดอกฟ้าดาราของเขารอยวนอยู่ในห้วงคิดวัด <What? S 1> ไทยทําด้วยอิฐเขาพูดหน้าตายต่อไปโดยไม่มีอเมริกันคนใดฟังได้รู้เรื่องยกเว้นครุสตนินาคนเดียวที่แตกฐานภาษาไทยและสแสดงไทยมากกว่าทุกคนบอกต่อมาในภาษาไทยว่าถ้าคุณคิดว่าวัดอังกฤษทํำด้วยปูนแล้วก็เข้าใจผิดมาก เพราะทำด้วยค อ, อนเกรดหยุดพูดเล่นเสียทีไม่ได้เลอคุณละพินแต่ก็ต้องขอชมในแง่จิตวิทยาคุณดีมากทีเดียวที่ทําให้ฉันหายหงุดหงิดไปได้ในกรณีที่แกล้งให้เดินตามเสียแทบแย่แล้วแม่ผมทองก็ความเปืนยืนขึ้นทันทีเปลิ่มรีนมาเป็นภาษาพ่อแม่ของคนเองเดินต่อไปได้แล้วพวกฉันหายเหนื่อยแล้วละพินทําหน้าเซ่อหันไปถามเชิดบุตรแหมว่ายังไงนะเชิดบุตรยังไม่ทันจะตอบอย่างไรคริสก็ล้อมแหลมมาอย่างขัดใจว่า จะให้ฉันด่าซช่ก่อนหรือยังไงจะได้ฟังรู้เรื่อง You son of อะหลอนเว้ระยะไว้แค่นั้นระพินลุกพวดพลาดขึ้นยืนตาลบกวาวผมมีแม่อยู่คนเดียวเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดคุณจะด่าผมอย่างไรก็ด่าได้แต่กรุณาอย่าด่าพลาดพิงมาถึงแม่ของผมไม่อย่างนั้นผมอาจจะฆ่าคุณเสียเมื่อไหร่ก็ได้ภาษาอังกฤษของพานป่าในประโยคนี้ชัดเปรีย้ยกรษชนายิ้มมุมปากหันไปพยักหน้ากับพรรคพวก เห็นไหมได้ผลฉันทำให้ชายคนนี้พูดภาษาของเราได้แล้วจุดอ่อนของเขาอยู่ตรงนี้เองคือไม่ชอบให้ใครพาดพิงไปถึงมารดาเอาลระสุภาพบุรุษพวกเราขอขอบใจที่คุณอุตสาห์ย้อนกลับผสมทบกับเราอีกครั้งตอนนี้เราพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับคุณแล้วและขอโทษ ด, ด้วยในสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อตะกี้นี้ความจริงฉันจะพูดยังไม่ทันจุประโยคคุณก็เต้นทังผางขึ้นมาเสียก่อนฉันเตนาจะพูดว่า ซันออฟกูดมาเดอร์ต่างหากคุณเข้าใจไป็นนทางร้ายเองช่วยไม่ได้มารดาของคุณเป็นคนดีมากไม่ฉะนั้นจะให้กำเนิดปุรชายที่มีความสามารถตัวเพียงนี้ทีเดียวหรือไม่เลวทีเดียวนะคริสคุณเก่งมากพรานใหญ่แยกเขียวตายังเขียวปัดอยู่ฉะนั้นลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเดินนำหน้าไปเงียบๆแต่ไม่เด้กิีท้าอะไรนักรอให้กลุ่มนายจ้างเดินตามมาทันเป็นหมู่เชิดวุดเดินกรทไหล่ก็ซิ หาโอากาสฟัดให้ได้นะละพินอย่าให้เสียเชิงชายเป็นขาดรายนี้น่ะผมยกให้คุณแล้วผมจองแม่ผมแดงก็แล้วกันลพินยกมือขึ้นขยยี่ปลาจมูกพูดท่วนๆมาหรครับเชิญคุณเชิดวิรตาสบายเถอะผมขอยกให้ทั้งสองคนนั่นแหละ <S <S บ้าปากจัดชิบเป๋งเลยผมเดินป่ากกับแม่มทั้งอเมริกันทั้งพวกยุโรปมามากแล้วยังไม่เคยเห็นใครร้ายกาจเท่าแม่ครสคนนี้สักคนเดียวถ้าให้ดูดมั่งละถ้าด่าแม่มั่งละถ้าไม่ติดขัดเรื่องงานผมจะให้พานของผมเรียงคิวเสียให้เขยด ผมเคยสมบุกสมบันมากับแแบบสาวคนหนึ่งลูกครึ่งเยอรมันฝรั่งเศสเป็นพรานมือดีทีเดียวร้ายกาเอาการเหมือนกันรายนั้นแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคริสติน่าผู้หญิงปากจัดมีการท้าทายอยู่ตลอดเวลานะมันหมายถึงการให้ท่าอยู่ในทีอยู่แล้วนะจะให้ท่าให้ทียังไงผมก็ไม่รับประทานล่ะครับคุณวอตต้องเข้าใจด้วยว่าชีวิตของพรานภัยที่ชื่อระพินสมร t มากในเรื่องนี้และเกียรติยศพรานป่าของผมก็อยู่ในเรื่องนี้แหละ ผู้หญิงสวยไม่สามารถจะมาทำให้อุเบกขาของผมเสื่อมคลายลงได้บนทางนั้นไต่ไปตามด่านช้างซึ่งนํำสูงขึ้นไห่เขาและชั้นขึ้นเป็นลำดับมองไม่เห็นส่วนหลังของขบวนลูกหาดุรืาดอีก3คนที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วคริสเดินห่างเขาและเชิดปประมาณร้อยหลาลงกลุ่มกับลาลิคิสและสเตลลี่หัวหน้าคณะส่วนเบ ล, ลสาวเท้าตีประกบข้างเขาเข้ามาสองคนนี่คุยอะไรกันนินทาพวกเราหรือ เปล่าและพินเขาหุดกิดมากที่ถูกคริสด่าเชอร์ดบอกได้เปรียบใครบอกว่าเขาดา่าคริสยังไม่ได้ด่าอะไรสักนิดหนึ่งมิสเตอร์ฮันเตอร์ตีความหมายเลยเถิดไปเองซึ่งเขากอธิบายให้รู้แล้วน่าจะหมดความข้องใจไปแล้วนะหลานพูดเสียงร่าเริงเดินแต่แข้งคอมองหน้าและพินผู้ดเดินหน้า ง, งุ้มอยู่คุณกรธคริสมากหรือฉันได้ยินเขาขอโทษคุณแล้วอย่า ก, กังวลเลยผมรู้นล่นแหะไม่เลวนี่ที่เขาสามารถทําให้คุณพูดภาษาอักฤษได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ที่ใสขคอนกรีเป็นคนอย่างนั้นเองคุณต้องไม่ถือความจริงเขาเป็นคนน่ารักมากนะใช่หน้าฟัดมากรวมทั้งคุณด้วยชด ว, วุฒิเุ็คนตอบมาแทนเดลห่อปากทำตาโตลอกเสียงสู ม, มาว่าไหนพูดไหนี้ฟังไม่ชัดคุณว่าอะไรนะวุฒิผมว่าผมเห็นด้วยที่คุณบอกว่าครสเป็นคนน่ารักเอสเบดมีอาการลังเลหรือจะไม่เชื่อหูเอฉันว่าฉันได้ยินอะไรอย่างหนึ่งนะแต่พินเมื่อกินนี่วุฒิเขาว่ายังไงคุณได้ยินไม่ใช่หรือ ผมก็ได้ยินเหมือนอย่างที่เขาพูดนั่นแหละนั่นสิได้ยินยังไงก็ได้ยินว่าหน้าฟัสเอ้ยหน้ารักนะสิฉันจะฟ้องคริสอย่าบ้านะเบลผมหักอคอคุณจริงๆด้วยเชิดวุ้นร้องปัจจุบันทันด่วนนั่นเองรพินไัยวันก็หยุดชะ ง, งักกึกลงอย่างทันหันเบลกับเชิดวุ้นหยุดตามุงด้วยอย่างไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นทั้งสองคนหันมองทานใหญ่ให้นเขาหลีตาลงก้มมองที่พื้นอันเต็มไปด้วยฝุ่นแดงมีรอยเท้าของพวกลูกหักย่ำกันไปอย่างเห็นได้ชัด เกิดอะไรขึ้นใครทําของตกระมังดรสเตอร์ลีเราถามมาและพร้อมกันวุนคณะเพรสและคิดก็ตามเข้ามาถึงในขณะที่ราพินไพร์วันค่อยๆสึกการลงแบบพิจารณายังรอยที่ปรากฏอยู่ยังเพื่อนฝุ่นแดงข้างล่างนั้นเขาไม่พูดแต่ชี้มือลงไปยังรอยทางของพวกรูข่บซึ่งบาดนี้มีรอยอุ้งเท้าขนาดช้ำขึ้นเดี่ยวย่อมๆเดินทับลอยลงไปความนุ่มของเพื่อนฝุน่นทําให้มันปรากฏชัดเจนพอสมควรทีเดียวเป็นรอยที่เกิดขึ้นไม่เกิน10บหรือสินาทีที่ผ่านมานี้เอง ทั้งหมดเงียบเกิดเจ้าที่รอยเท้าอันทับรอยเดินของพวกลูกขาบเหล่านั้นไปและสังเกตสีหน้าของรปินเห็นเขาเม้มมือฟีปากนิดหนึ่งกว่าสายตาไปรับรๆบริเวณทางด่านนั้นแล้วลุกขึ้นยืนอย่างเข้มช้าสังเกตทิศทางเพื่อจะจับให้ได้ว่ามันเริ่มต้นประทับรอยลงมายังรอยของพวกลูกขาบตั้งแต่เมื่อไหร่ big cat very really big เสียงดร์สเปรี่อุทานออกมาไม่เกินเสียงกระซิบตาสีฟ้าขอ ง, ของหัวคณะลุงโทง จอมพานยังไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนที่รวมพณะอยู่พยายามรวมกลุ่มแอบชิดข้างทางและอยู่ในอาการสงบก่อนชั่วคราวบนคํเาเริ่มสาวรอยเท้าทันทีด้วยความชํานาญแกเดินกล่าวไปรอบๆมันขึ้นมาจากตรงเทือดด้านขวามือนี่เองนายแล้วย่องตามหลังพวกนั้นไปเสียงตาพรานเท่าปกปติไม่เสียอาการตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นระพินโบกมือให้แกเดินตรวจรอยเท้าเหล่านั้นต่อไปทางหันมาพยักหน้า ก, กับกลุ่มนายจ้างของเขาซึ่งพากันยืนน่าลึกๆอยู่ไปคขับเดินต่อ ก็บอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันทั้งกลุ่มเริ่มเคลื่อนที่โดยมองไปตามพื้นที่เห็นรอยอยุ่ทุกระยะบนคำนั้นก้มๆเงยๆและนำรูปไปก่อนแล้วในระหว่างที่ระพินเดินรวมหมู่กับพวกนายจ้าของเขาเชิดรุพยายามมองสบตาเขาก็เห็นระพินยิ้มให้นิดหนึ่งสั่งเสียงน้อยๆเชิงไม่ให้ถามอะไรแล้วอย่าแล้อย่าถือเป็นเรื่องน่าตกใจอะไรนะักแต่ฝ่ายนายเจ้าทนอยู่ไม่ไหวระพินถ้าคุณไม่เป็นใบ้ไปแล้วก็คุณควรจะบอกเราบ้างว่าไอ้ที่เราเห็นย่า ซ้ำรอยตีนรูกหาบอยู่นี่นะมันคืออะไรก็คือมีสัตว์ชนิดกินเนื้อเป็นอาหารตัวหนึ่งเดินขึ้นมาจากป่าเบื้องล่างและอาศัยทางด่านนี้เดินซ้ำรอยตามหลังพวกเราที่ลวงหน้าไปก่อนแล้วนะสิครับลา y c h คริสน้ามุยเขาไม่สบอารมณ์ในคำตอบนั้นนะักคริสรักษาความเงียบไว้ตามเดิมทั้งที่หล่อนอยากจะพูดอยากจะถามอะไรเต็มที่แต่เบลอดดไม่ได้นี่มิสเตอร์ฮันเตอร์ ธรรมชาติไดสายเดิมของคุณเป็นอย่างไรพวกเราไม่สนใจหรอกนะแต่ในการที่คุณเป็นผู้นําทางของเราในครั้งนี้ขอให้เข้าใจด้วยว่าเราต้องการความกระจ่างทุกชนิดที่มันเกิดขึ้นโดยการค้นพบของคุณไม่ใช่การทําเป็นนิ่งเฉยอมพนันและให้พวกเราต้องคอยตามเป็นภาระเส้าซีถามอยู่ในตลอดเวลาอย่างอย่างขณะนี้ก็อย่าถามเสียก็หมดเรื่องปรอยเสือแค่นี้เองมันเป็นเรื่องใหญ่ทําเป็นเรื่องใหญ่กันไปได้อนเทรเชอร์ุทธเอ่อยขึ้น มันไม่ใช่อย่างนั้นสิเชิวดวศัว น, นาคณะขัดขึ้นเร็วๆ เ, เขาหน้าเคร็ดลงนิดหนึ่งเราไม่สนใจกับรอยเสือนี้นักหรอกถ้าหากมันไม่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนจุดพักเที่ยงนี้ผมเดินคุยมากับประพินก็บอกกับผมว่า <c oughs> ที่หมู่บ้าน <c oughs> ที่หมู่บ้านซับบอนที่เราจะไปพักข้างหน้านี้มีเสือกินคนตัวหนึ่งอาราวาดอยู่และพวกกระเหลี่ยงในหมู่บ้านนั้นเคยมาตามเขาให้ไปช่วยร่าแต่เขาไม่มีเวลาพอที่จะไปช่วยพวกนั้นได้และในขณะนี้พวกเราทั้งหมดก็กําลังจะบ่ายหน้าไปยังซับบอนด้วย ทุกคนในคณะได้ยินเสียงผู้ช้ายของดตรสเตอรี่อย่างถนัดเริ่มมีปฏิกิริยาขึ้นทันที Man e ater, แมนอิตเตอร์ตาพานคนนี้บอกกับอาจารย์ไม่อย่างนั้นหรือคะคริสร้องออกมาเบาๆใช่เขาเล่าให้ฟังขณะที่เดินคุยกันมาด้วยกันฉันไม่สนใจอะไรนักและยังไม่ได้บอกพวกเราแต่สั่งเขาไว้แล้วว่าเราไม่ต้องการจะไปพักอย่างหมู่บ้านนั้นเขาบอกว่าเส้นทางมันจําเป็นต้องผ่านไอการมาพบรอยเสือเดินตามหลังพวกผู้หาแบบนี้มันไม่เข้าค่าเอาเลย ระพินยังเงียบเฉย อ, อยู่เช่นนั้นตรวจดูพื้นและมองบนค้ำที่ก้มก้มเงยเงยอยู่เบื้องหน้าหาไปประมาณ20เมตรระยะอากาศก็มืดมัวลงทุกทีระพินในที่สุดคริสก็พูดกับพรานใหญ่ดังเสียงจริงจังขึ้น Yes m a m Tiger, Red b u หรือ Panther คุณว่าคุณเคยเดินป่าล่าสัตว์มาแล้วไม่ใช่หรือแต่ใช่ไม่ใช่พรานเสียงขหลันกระชากอ๋อก็แล้วไปเสือดาวหรือเสือดา จะไม่มีอุ้งเท้าที่ใหญ่โตและน้าหนักตัวมากถึงขนาดนี้และเสือดํากับเสือดาวส่วนมากก็จะไม่ใช้วิธีการเดินตามหลังเหยื่อไประยะทางไกลๆนอกจากจะคอยดักซุ่มอยู่บนที่สูงเพื่อเล่นงานเหยื่อเท่านั้นและถ้ามากันเป็นหมู่คณะจํานวนมากเชน่นนี้ก็จะไม่กล้ายกเว้นแต่จะเห็นเหยื่อมาตามละพังคนเดียวถ้าอย่างนั้นก็ไทเกอร์เบลูธนันเบาๆคนไทยเขาเรียกเสือไอ้โครงหรือหลายพาดกลอนตัวเดียวกันหรือเปล่า ที่คุณบอกอาจารย์ว่าอนวาจอยู่แถวหมู่บ้านซับบอลที่เรากําลังจะไปและเป็นเลิกคิ้วเบปะปากนิดหนึ่งน่าเสียดายผมไม่เคยรู้จักหน้าค่าตา ม, มาก่อนรู้จักรอยตีของมันมาก่อนเลยเลยวินิจฉัยไม่ถูกแต่คิดในทางดีไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วทําไมมันถึงเดินทับรอยตีนพวกเราไปแบบนี้คริสบว่าอาจจะเป็นการบังเอิญก็ได้ทางในป่าเป็นทางเดินของสัตว์ป่าแต่มนุษย์อุตริมาเดินเองต่างหากใครจะไปห้ามไม่ให้มันมาเดินได้ละ่ะ มันโผลขึ้นมาจากป่าตอนที่พวกเราเดินผ่าไปแล้วและขวา จ, จะเดินไปตามทางด่านช้างนี่ระยะหนึ่งจากนั้นก็อา จ, จะแยกทางเข้าป่าไปอีกโน่นยังไงบุนคํายืนทําสัญญาณบอกให้รู้ว่ารอยของมันตัดลงป่าด้านซ้ายไปแล้วเขาพยักหน้าไปไปข้างหน้าทุกคนมองตามเห็นมุนคำหยุดยืดนิ่งอยู่ริมทางด่านซ้ายและชี้มือวาดให้ดูเป็นเครื่องหมายระยะที่มันเดินซ้ำรอยทับกับลูกหาไปนั้นประมาณ 30- มสถึงสีเมตร จากนั้นก็เลี้ยงลงป่าทึบด้านล่างซีกซ้ายมือของด่านช้างไปเมื่อต่างเดินมาถึงก็มองเห็นตามที่ระพินพูดระหว่างบ่าวนายพลป่าทั้งกู้ก็ไม่เห็นพูดอะไรกันทั้งสิ้นความในต่างๆรู้กันเองโดยสายตาและปรากฏการสัญญาณป่าที่ต่างคนต่างท่งชาชองกันอยู่แล้วพวกนายจ้าดูเหมือนจะถอนใจออกมาอย่างโล่งอกระพินซ่อนยิ้มต่างเดินกันต่อไปแต่แล้วชั่วไม่นานนักของหนทางที่สูงสูงสั่มสัดาวกับ รอยคลื่นนั้นบนคำผู้รับใบเบื้องหนังทุกคนก็หยุดชนนักอีกคราวนี้แกเอามือเกาคางตำแหน่งนั้นเป็นแอ่งน้ําแฉะรอยเท้าพวกลูกหาดย้ำไว้เห็นได้ชัดเจนส่วนรอยของไอไล่ก็ยิ่งปรากฏชัดมันไต่ขึ้นมาจากบาซีกซ้ายขนายของอุ้มเท้าที่ประทับไว้อย่างดิดอนโครนเห็นได้ชัดกว่าทุกครั้งทุกคนของฝ่ายนายจ้างมองหน้าเขานี่ก็เป็นเสืออีกตัวที่เพิญตัดขึ้นมาจากขบซีกซ้ายมือกระมัง คิดถามเบาๆแต่หางเสียงประชดปด AR 1 5ขึ้นมาปลดห้ามไกลและผลักไปอยู่ในตำแหน่งยิงรัวหรือ True Auto ทันทีก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแถวนี้เสือชุมถิ่นของมันอยู่แล้วพรานใหญ่ตอบแล้วกระดิกนิ้วเรียกบุญคำให้ไปเดินคุมหลังทันทีสัญญาณชนิดนั้นนายเจ้าอเมริกันทุกคนสำเนียกหรือไม่สำเนียกแต่เชิดปุด ร, ร, ร, รื้ทันแล้วว่ามันหมายถึงอะไรเริ่มหายใจไม่ค่อยสะดวขึ้นมาทันที หันไปมองดูภูมิประเทศอันไม่น่าไว้วางใจนั้นแล้วปลดไลฟ่ฟลนลงมาจากป่าค่อยๆดึงลูกเลื่อนแยมดูกระสุนเพื่อให้แน่ใจว่ามันบรรจุอยู่ในรงังเพลิงพร้อมวันแรกของการเดินทางกับพรานที่ชื่อรัพพินนี่ชักจะไม่สุกเสร็จแล้วเรารู้ตัวล่วงหน้าว่าเรื่องอย่างนี้คงมีไม่พ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วเหลือเกินเราบ่นขึ้นหัวเราะไม่สนิทนักเป็นครั้งแรกที่หล่อนสุดกายลงไปพิจารณารอยเท้าที่ปรากฏ อ, อย่างชัดและลึกนั้นพอจะบอกได้ไหมว่า ตัวมันจะขนาดไหนน้ำหนักตัวสักเท่าไรหรวหน้าคณะถามคณะที่กระโดดข้ามแอ่งน้ำนั้นไปยืนอยู่ข้างคลานใหญ่ก็พอจะบอกได้โดยประมาณเท่านั้นตัวไม่ใหญ่นักจากจมูกถึงก้นโดยไม่นับหางค ว, ควรจะยาวไม่เกินกว่า170ซนเมตรน้ำหนักตัวก็คงจะแค่ประมาณ 350-450 ปอนด์เป็นอย่างสูงไตหารพินนั่นนะลูกม้าแล้วนะเธอดุตเตัวแล้วอุทานออกมา พวกนายจ้างนิ่งคิดคำนวณขนาดและน้ำหนักอย่างที่เขาบอกอยู่คู่หนึ่งแล้วทั้งสีคนก็แทบจะตาเหลือกพระเจ้าคุณล้อเล่นหรือเปล่าละพินคริสบนอุบอิบในลาคอรับรองครับไม่โตไปกว่านี้แน่นอนบ้าแล้วคุณว่าคุณว่าขนาดที่คุณบอกมานั่นอนะทั้งน้ําหนักตัวและความยาวนี่น่ะพวกเราคิดว่ามันเล็กไปอย่างนั้นเลยคริสร้องเห็นเข้ามาใกล้ บาดแขนเสื้อเช็ดปลายจมูกอากาศเริ่มเย็นเยือกลงมาอย่างรวดเร็วเชิดวุฒย์ยังบอกเลยว่ามันเป็นตัวขนาดลูกม้าลูกม้าก็ต้องเล็กกว่าแม่ม้าหรือพ่อม้าก็าตอบแล้วเดินต่อไปโดยนไปปิดปากทักชวนใครทุกคนจึงต้องเดินตามและพยายามกลมลงดูรอยเสือที่เดินตามหลังพวกลูกหาไปอีกครั้งหนึ่งอย่างใจคอไม่ปกติแปลกจริงก็เห็นว่ามันแยกเข้าป่าลิมทางไปแล้วทำไมจึงโผล่ขึ้นมาเดินตามหลังคนของเราอีกแบบนี้คุณอธิบายได้ไหม อธิบายก็ได้มันขี้เกียจจะเดินถนนโล่งๆก็เข้าป่าไปเสียทีหนึ่งแค่พอขี้เกียจเดินลกๆก็เดินกลับจนขึ้นมาทางบนด่านช้างนอีกทีหนึ่งก็แค่นั้นเองคุณรพินภัยวันถ้าคุณจะกรุณาหยุดพูดเล่นหรือเห็นว่าพวกเราโง่เง่าที่สุดในสายตาของคุณพวกเราก็จะขอบคุณมากเราไม่กลัวเสือหลอกแต่เราเป็นห่วงคนของเราที่เดินไปก่อนล่วงหน้าและต่างหากพวกนั้นจะรู้จววัวหรือเปล่าว่ามีเสือเดินสะกดรอยหลังเขามาอยู่ตลอดเวลาปรเดี๋ยวหลง หลุดเข้าป่าปรเดี๋ยวโผล่ออกมาย่องทับรอยแบบนี้น่ะคริสพูดเน้นเสียงหนักอย่างจริงจังจ้องหน้าเขาจอมพลานใช้นิ้วเกีย่ยวบีบหมวกขึ้นนิดหนึ่งรอยยิ้มแว บ, บไปในแววตาขณะที่ชำรงผ่านหน้าคริสไปเจ้าหน้าตื่ น, ต, น, ต, นตื่นกลัวๆที่สอยอย่างเห็นชัดของเบลพวกคุณไม่กลัวก็ดีแล้วเพราะคนเรา เ, าเวลาเกิดความกลัวต่อมชนิดหนึ่งในร่างกายจะระเหยเปลี่นที่สอถึงความกลัวนั่นออกมาและเสือก็จะจับเขื่อ น, นั่นได้รู้จุดอ่อนทันที มันก็จะเริ่มโจมตีคนที่กลัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่า ก, กลัวไว้เป็นดีที่สุดขู่ไม่เข้าเรื่องเบลร้องเสียงแหลมปรี๊ดหน้าบึง้งต่อมอะไรของคุณกันไหนบอกมาสิที่ว่ามันจะระเหยกลิ่นแห่งความกลัวออกมาน่ะสิต่อมเอ๊ะต่อมอะไรนะครับคุณวัตประโยคหลังก็หันไปถามเชิวดวัตซึ่งตอบ ม, มาเร็วโดยที่ไม่ต้องคิดว่าต่อมบาลอรลินในผู้หญิงและต่อมคาเบอร์ในผู้ชายน่ะสิดิวปิดอิเดียทั้งสองคนนั่นแหละ เรากับได้กันไว้นาวสาวสองคนล็อกลั่นออกมาด้วยประโยชน์เดียวกันและพร้อมกันแต่ก็อดที่จะครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งไม่ได้ดรสเตอรลีรร่กับเคสลสโซล์ออ ก, กั๊ออกมาได้ครั้งแรกอย่างกันไว้ไม่อยู่ส่วนเชิดวุฒกับประพินทําหน้าตาตายเท่าเท่ากันเสียงเบลลร้องแหลบอกว่าฉันเป็นหมอฉันดูดีว่าไม่มีต่อมบ้าบอคอแตกอะไรนั่นในมนุษย์ออกหนักที่จะเจริญเหยื่อเกิดไอเห็นความกลัวออกมาได้ความกลัวเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสมองมันไม่มีต่อมอะไรที่จะเจลิญเหยืเกิดออกมาได้ทั้งสิน้นนวว คุณไม่น่าจะมาเป็นลูกคู่ผสมรล่งกับนายฮันเตอร์หน้าหินคนนี้เลยเสียแล้วที่เรามาด้วยกันแล้วกันผมไม่ได้เป็นลูกคู่ให้ใครสักหน่อยหนึ่งเขาหันมาถามผมเรื่องต่อมเรื่องไปไอ้ผมก็ไม่ใช่หมอผมจะไปรู้เรื่องได้ยังไงละ่ะพอจะเคยได้ยินชื่อต่อมในร่างกายอยู่สองสมต่อมเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ต่อมสองสามนั้นนะ่ะมันมีหน้าที่ทํำยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเชิดวุฒิพูดอ่อยเบลเฮอร์คือซีอ น, อออน่าในฐานะ ห, าหนุ่มแห่งกองทัพหุ่ไทย เอาเธอเอาเธอคงจะมีโอกาสหนึ่งหรอกที่ฉันจะเอาเข็มฉีดยาจิ้มเข้าให้ในตอมนั้นคาปเปอร์ของคุณเพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่และฉันก็รู้ด้วยว่าไอ้ตอมเวนของคุณนั่นน่ะมันทํางานอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่คุณเห็นชานละคริสในวันแรกถึงเดี๋ยวนี้มันก็ยังทางานอยู่ไม่เชื่อลองรูดซิบกางเกงคักออกมาดูก็แล้วกันเฮ้ยให้มันได้อย่างนี้ซิวะเจอคนจริงเข้าให้เสร็จแล้วเชิดวูดลองออกมาเป็นภาษาไทยแล้วยิ้มแห้งๆแต่ละพิมพ์นั้น หน้าคงเป็นหินอยู่เช่นเดิมแตาเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้นแต่เขาก็พอใจที่บรรยากาศของคณะนายจ้างขึ้นเครงขึ้นอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งจิตวิทยาในการพาเดินป่าของเขาเป็นเช่นนี้มานานแล้วคือถ้าชวยเกิดอันตรายทําให้เกิดความเกรงกลัวหวาดวันแก่คณะนายจ้างของเขาเมื่อไหร่ก็จะหาทางให้เกิดเื่อสนุกสนานขึ้นเครงเข้ามาแทรกเพื่อเบนความมิตกกงวลในขณะที่สมองของตนเองเริ่มคิดวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับมหารตภัยนั้นนอยู่คนเดียวเงียบ คุณคำเดินคล้อยไปคุมอยู่ท้ายกระบวนโดยสัญญาณของเขาซึ่งไม่จำเป็นจะต้องต่างออกมาเป็นคำพูดคริสเบลและเชิญ ร, รดเดินรวมกลุ่มกันอยู่ตรงกลางคนเหล่านั้นพูดคุยและถกเทียงหยอกล้อกันอีกเช่นไรนั้นเขาไม่สนใจแต่สำหรับหัวหน้าคณะเบรลี่เคียงไหลก็ไปติดตดมีพลายของคนสามคนเดินคุมพวกลูกหาไปด้วยคุณคิดว่าพวกเขาจะรู้ตัวไหมว่ามีเสือตามอยู่ข้างหลัง อาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ได้เท่าเท่ากันครับแต่โปรดยาห่วงคนของผมทั้งสามคนนั่นไว้วางใจได้เสมอคุณคิดยังไงผมว่าถ้ามันเป็นตัวเดียวกับแมนอิตเตอร์ที่คุณว่ามันจะเกาะติดหลังพวกเราไปแบบนี้โดยตลอดและไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งมันต้องเล่นงานแน่ถ้าเราไม่เผอก็ไม่เป็นไรหรอกครับคุณพูดง่ายเดี๋ยวฟังยากิปลึกลรสเตอรีบนพร้อมกับโครงศีรษะแช่ชๆก็คุณบอกกับผมไปล่วงหน้าแล้วว่าให้พยายามหลีกเลี่ยง เสือตัวนั้นให้มากที่สุดผมก็พยายามดลีกเลี่ยงแล้วแต่มันเข้ามาหาเราเองก็ไม่ทราบจะเยัไงได้เหมือนกันหัวหน้าคณะอึ้งไปครู่หนึ่งว่าคิ้วขมวดผมยอมรับว่าฝ่ายของผมไม่มีใครชนะในเรื่องนี้หรอกแม้ว่าจะมีบางคนคุยโวอยู่บ้างคุณก็อย่าถือสาเลยเป็นอันว่าผมมอบหน้าที่แก่คุณก็แล้วกัน คือเราจะพยามไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันโดยไม่จําเป็นแต่ถ้ามันเข้ามาทางปืนของคุณเมื่อไร่ก็อย่าเอาไว้ผมไม่ชอบให้มันมาคอยดักหน้าดักหลังกลุ่มของเราอยู่อย่างนี้ตกลงครับแต่ผมรู้สึกว่าจะยากในการที่เราจะเป็นฝ่ารับมืออย่างเดียวลูกหาดสิบคนพวกคุณอีกห้าคนรวมเป็นสิคนผมระวังยากเหลือเกิน มันเป็นเสือพิการขาหน้าข้างซ้ายเดินขยตไม่ถนัดนักอาจถูกใครยิงมาก่อนหรืออาจจะเกิดการต่อสู้กับเสือของมันก็ได้คุณดูได้ยังไงว่าขาซ้ายของมันพิการดูจากรอยเท้าที่แอ่นน้ำนั่นก็รู้เพราะจับได้ทั้งสีอุ้มเท้าเลย โดยรอยชัดเจนที่ปรากฏไว้อุ้มเท้าซ้ายของมันเวลาเดินเหยียบขึ้่นไม่ถนัดเต็มที่นักแต่เป็นหนักที่อุ้มเท้าขวาบางทีอาจจะมีผลเม่นหักปากอยู่ที่อุ้มเท้าซ้ายก็ได้ดรสเตอร์รี่พ ย, ยักหน้าช้าๆม่มปากขบวนลูกหักของเราตอนนี้อยู่ห่างจากเราสักเท่าไหร่ผมกะว่าไม่เกินไมครึ่ง เราควรจะให้รู้ตัวและหยุดรอพวกเราก่อนโดยการจริงปืนขึ้นสักนัดหนึ่งจะดีไหมไม่จำเป็นหรอกครับมันเออ ก, กระและเสียเวลาไปเปล่าๆผมเชื่อว่าก่อนการหยุดพักของเราในวันนี้มันจะยังไม่จู่โจงเข้ามาเป็นอันขาดแต่คืนนี้ภายหลังจากที่เราวางแคมป์แล้วก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะปนปีกเข้ามาใกล้ๆถามจริงๆเถอะคุณคิดว่ามันจะเป็นตัวเดียวกับที่เอาคนที่ซับบอลไปกินหรือเปล่าแล้พิณภายวันยิ้มนิดนึง ถ้าเสือพิการแบบนี้ก็เชื่อได้ถึง 99% ครับว่าน่าจะเป็นแมดิเตอร์ตัวนั้นเหมือนกันขนาดนี้มันเริ่มติดตามคณะของเราแล้วแต่เรื่องเล็กลเกินผมขอร้องอะไรคุณในฐานะหัวหน้าคณะเพื่อให้พูดกับคนของคุณหน่อยได้ไหมครับลํำพังผมพูดเขาเหล่านั้นอาจจะไม่สนใจเชื่อฟังนักได้คุณใช้ผมพูดอะไร ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนระวังตัวขณะที่วางแคมป์พักแล้วอย่าให้คนใดคนหนึ่งเดินพ้นออกจากบริเวณที่พักไปโดยที่ไม่บอกผมร่วงรู้ก่อนไม่ว่าจะใ ก, กล้ไกลที่พักสักแค่ไหนก็ตามได้ผมจะบอกกับพวกเขาเองว่าแต่นี่มันค่ําเต็มที่แล้วนะอีกไ ม, ไม่กี่นาะทีก็จะมืดสนิทเราจะเดินกันไปในความมืดในขาดที่มีเสือกินคนคอยติดตามอยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะหรือจอผ่านหัวรอบเบา มืดหรือสว่างกลางคืนหรือว่ากลางวันมันก็มีความหมายเท่าๆกันนั่นแหละครับสำหรับผมในเขตป่าที่ผมท่องเที่ยวอยู่ก่อนและระยะนี้มันก็ยังเป็นอาณาจักรของผมอยู่โปรดยาห่วงเลยเสือตัวนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลอะไรนักหรอกปราบใจที่พวกคุณยังเชื่อฟังคาสั่งผมอยู่ขาดเสียงพูดเบาๆเหมือนเสียงกระซิบของระพินจมูกของทุกคนก็ชยเกิดศสาสรสางฉุนกึกมาตามลมใกล้ค่า จนแทบสะงักแต่พานใหญ่เฉยท้าคงก้าวเดินต่อไปตามปกติความกระสับกระส่ายเกิดขึ้นเห็นชัดทั่วทุกคนนายจ้าอเมริกันทั้งสี่เริ่มสูดจมูกพุดพิ ต, ตและแสดงอาการเตรียมพร้อมปลดตืนลงจากหลายทันทีบางทีขึ้นลาไว้เรียบร้อยแล้วก็ปลดท่ามไก่บ้างที่ยังไม่ขึ้นลําก็กระชากลูกเรื่องดันรั้นและพากันถือปืนในท่าเฉียงอาวุธเหมือนจะเตรียมเข้าประจันบานกับมนุษย์ด้วยกันเช่นนั้น สะานท่าบนคำปิดปากกรรคิดคักเมื่อเห็นอาการเช่นนั้นเชิดวุฒิเลี่ยมคู่ไหวพริบไม่เร็วทีเดียวเมื่อเขาเห็นพานใหญ่เฉยเป็นปกติไม่แสดงท่าว่าจะต้องเปรียมเผชิญหน้ากับอะไรตนเองจึงไม่ยอมปลดไลเฟิลออกจากไหลนอกจากสายตาที่พยายามกวาดระแวงระวังไปรอบด้านเท่านั้นและเดินนั่งท้ายขบวนเข้ามาประกบคู่กับบุญคำมันใช่ไหมคงอยู่ไม่ห่านักหลอกเหมือลมเราด้วยเขาก็ซิบกับพานอาวุโสเบาที่สุด บนคำยิ้มพยักหน้าไปทางขวามืออันอยู่บนเนินสูงขึ้นไปเบื้องหน้าขวามือแถวแถวข้างหน้านี่แหละครับแต่นายทหารใจเย็นเหลือเกินนะเชิดบุดยิ้มเรียรยีมันก็ไม่เย็นอะไรนักหรอกหน้าแต่พานใหญ่ของบนคำเย็นยิ่งกว่าชั้นสักพันเท่าเพอเดินนาหน้าขึ้นไปยังกะว่าจะเดินพันแมวตัวเล็กๆที่เตะเล่นได้อย่างนั้นแหละ แกก็เตะเล่นเสียมาสักสองสามร้อยตัวแล้วไม่ว่าเสือใหญ่สขัดหนาดไหนในป่าแถบนี้ต่เท่าป้องปากพูดหน้าตาถึงขังเชิดวุดจ้องหน้าอย่าล้อเล่นหน้าคนยิ่งใจไม่ไดีอยู่ด้วยบอกตามตรงแกเตะจริงๆครับเตะด้วยความโมโหแต่ภายหลังจากที่แกเอากระสุนผ่ากระโหลกมันนอนแน่นิ่งไปแล้วตั้งหากว่าแล้วแกก็หรคกคักพูดแถวเบ า, เบาต่อไป นายทหารลำบากหน่อยที่ต้องมาทํางานกับนายฝรั่งพวกนั้นแต่ถ้าจะคิดไปว่าเป็นการถัดเดินป่าให้ชันนานแล้วก็นายทหารไม่ผิดหวังแล้วที่มากับเจ้านายของบุญคําคราวนี้ถ้าจําเป็นไม่เข้าใจอะไรก็ซักถามแกได้แกรักนายทหารเป็นพิเศษแต่ที่ควรจะต้องทําเองก็คือมันสังเกตถ้าทางของแกไว้ให้ดีแล้วนายทหารจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองดูไม่ยากหรอกครับ แค่เจ็ดแปดวันถ้าสนใจเฝ้ามองเกริยาอาการของแกไว้ทุกๆระยะนายทหารจะรู้หมดว่าถ้าแกเอานิ้วเสยปีกหมวกขึ้นหมายถึงอะไรถ้ามองดินมองฟ้ามองซ้ายมองขวาหมายความว่าอย่างไรถ้าหากแกหยุดชะ ง, งักนิ่งลงอย่างกะทันหันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมั่งไม่ว่าจะประเชิญหน้ากับอะไรถ้าแม้แต่สั่งเบาๆแค่คํำว่าย่าแล้วก็นายทหารเฉยแล้วยืนนิ่งไว้เฉยๆ เ, เท่านั้นเป็นพอ ฉันจะพยายามคุณอำพลก็สอนฉันไว้ยอย่างนี้แหละแต่นี่แน่บุญคำไอ้ที่เขาเดินเฉยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแบบนั้นน่ะหมายความว่ายังไงแปลว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราเระแวงกันอย่างเด็ดขาดใช่ไหมคุญคำมองไปยังเบื้องหลังของเจ้านายที่โยกตัวเดินขึ้นเดินนำหน้าทุกคนดุ่มๆไปห่างแค่ไม่เกินสบห้าก้าวระแวงยังไงเหรอครับนายทหารก็คงจะไม่คิดว่ามันอาจจะดักลูกเราคนใดคนหนึ่ง ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าน่ะสิอ๋อถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่แน่หรอกครับมันอาจจะดักเล่นงานก็ได้หรืออาจจะซุ่มดูอยู่เฉยๆก็ได้เรื่องนี้พลันใหญ่เข้าใจดีอ้าวแล้วทําไมไม่ถือปืนเตรียมระวังเลยล่ะเดินเฉยๆเหมือนกับไม่สนใจกับอันตรายอะไรทั้งสิน้นก็ข้อ น, นี้แหละครับที่สายตาผัดผ่านเบื้องนอกดูได้ยากจากท่าทีของเจ้านายบนคําแค่เดินของแกไปเหมือนธรรมดาอย่างนี้แหละ ตาแกคมเท่าๆกับตาเสือแต่มือแกน่ะเร็วยิ่งกว่าเสือมากนักถ้าโหกเข้ามาเมื่อไหร่นายทหารคอยดูเขาแล้วกันว่าแกปลดปืนออกจากไหลและยิงได้เร็วขนาดไหนเจ้านายของบุญคำยิงเสือไม่เหมือนพรานคนไหนหรอกครับแม้แต่น้ำใคร ที่เคยมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่มาก่อนเพราะแกยิงในขณะที่มันกระโจนเข้าสายกลางอากาศเสียเป็นส่วนมากถ้าเพียงแต่มันเอี้ยงเอี้ยงมองมอ ง, มองหรือยืนตะกุยขุ่นแย่เขียวอยู่แล้วก็แกจะยืนดูมันเฉยเฉยก่อนนายทหารสบายใจเถอะครับเสือกินคนนะเรื่องขี้ปัติว๋วสําหรับคุณระพินตามปกติแล้วถ้ามันไม่มีประวัติร้ายมาก่อนแกไม่เคยทําอะไรพวกมันเลยและถ้าหากลงเจตนาตามตัวกันแล้วขนาดเตินยืนมึดมืด ในเวลากลางคืนไม่มีพลายคนไหนในโลกนี้ทําได้แต่เป็นโลกธรรมดาสําหรับคุณลพิน์ถ้าแกจะกลัวแกก็กลัวแต่ช้างเท่านั้นแหละครับไหนว่ายังไงนะมือขนาดนี้น่ะเหรอกลัวช้างมันคายิ่งหยิ่งฟันไอ้ที่กลัวหนะไม่ใช่กลัวอะไรหรอกครับแต่กลัวว่าแกจะต้องทําบาปกับสัตว์ใหญ่สติของแกก็คือสําหรับช้างแล้วถ้าไม่เกะกะเกเรกับแกจริงๆหรือไม่เคยาคาดภัยมาก่อนแกจะไม่มีวันจริงเด็ดขาดเลยครับ แกบอกผมว่าช้างเป็นสัตว์ก็จริงแต่เป็นสัตว์สูงแสนรู้และเป็นสัตว์ที่ควรแกร่การสงวนไว้ถ้าจะให้สัตว์กันจริงๆเท่าที่อยู่กับผมมาสิบปีนี่เห็นตูมเยื่อหมอไปทุกรายส่วนมากไม่เหลือบาดฝ่าแล้วจริงๆแกจะจะเพริดไร่เพราะแกขี้เกียจเริงกระสุนอืก็ได้ความรูปแบบๆแบบแบบดีเหมือนกันนะสําหรับพรา น, นใหญ่คนนี้เท่าที่ฟังบุญคําเล่าให้ฟังว่าแต่บุญคําก็คงจะไม่กลัวเสือเหมือนกันล่ะสิ ก็เป็นลูกศิษย์ของมานานใครบอกนายทหารตาพานเท่าทําตาโตทำํำไมผมจะไม่กลัวเสือเคยเล่น ง, งานผมเกือบตายมาแล้วก่อจะมาอยู่กับคุณระพินถ้าแกไม่ช่วยผมไว้ป่า น, นี้ไม่มีพรานชื่อไอ้คาแล้วผมน่ยมันแก่แล้วตาเตอก็ไม่ค่อยจะดียิงปืนก็ช้ากว่าแกแต่อาศัยเจ้ามือมือแม่นผมอยู่ใกล้ๆแ ก, กผมก็เลยไม่ค่อยจะกลัวเสือพุดรู้ว่าตาพรานเท่าถ่อมตัวและพูดให้เป็นเรื่องชวนกลบขันเสียมากกว่า ชายหญิงอเมริกันทั้งคู่ไม่พูดทำใดอีกทั้งสิ้นเดินไปในลักษณะถือปืนเตรียมพร้อมอยู่อย่างนั้นแต่ก็ฉลาดพอสมควรที่จะไม่กระชทนคิดติดหลังนะพินมากเกินไปคงปล่อยช่วงให้ห่างไว้อย่างเดิมขาดคิดผู้คุยโอ้อวดว่าผ่านสมรภูมิมาแล้วหลายสมรภูมิขณะนี้ก็ยังเดินหน้าซีดมีอาการเมือกลักจะมองเห็นชัด ภาพป่าอันแสนจะน่ากลัวอากาศที่โพลเพสใกล้มืดสนิทซึ่งมองเห็นอะไรไปเงาตะคุ่มตะคุ่มไปหมดและเกีื่อนสาบสางของเสือร้ายที่โชยมาเตะจมูกอย่างถนัดถนีเช่นนี้มันเป็นบรรยากาศที่คนไม่เคยเผชิญมาก่อนจับไข่มืออ่อนตีนอ่อนลงได้ง่ายๆเหมือนกันแม้คนคนนั้นจะเคยผ่านสงครามฆ่ามนุษย์ต่อมนุษย์กันมาม า, มากต่มากแล้วแตเพีงยงไหนก็ตามเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมันผิดกันอย่างน้อยที่สุดก็คือสบบะของป่ารึและสาบเสือโคร่ง แชนลี่ควบคุมและซ่อนความรู้สึกไว้ได้ดีมากเพราะไม่สออะไรออกมาทั้งสิ้นซิสกับเบลเริ่มหนาวสัน่นคางสั่นกระทบกัน ท, ทั้งที่อากาศก็ไม่เย็นจัดจนเกินไปนักผ่านขึ้นยอดเนินไปแล้วและก็ลงไปตามผลทางรากซึ่งระยะนี้เห็นเป็นสีดำยาวเอียดท่ามกลางหัวใจอันเต้นไม่ปกติของฝ่ายนายจ้างทั้งหมดก็ยังไม่เห็นมีอะไรปรากฏขึ้นทั้งสิ้นมาคุเทศยังคงสไพยปืนเดินนาหน้าไปตามปกติ มิหนำซ้ำยังดูเหมือนจะงัดเอาเซก้าร์ที่ทัดถูไว้ขึ้นมาจุดสูบพ่นควันเสียอีกประมาณเกือบร้อยเมตรห่างจากยอดเนินที่ได้เกลื่นครั้งแรกสางเหล่านั้นก็เรือนหายไปคงได้เกลื่อนจางๆของชมดเข้ามาแทนที่นายฮันเตอร์ของเบลก็คงเดินไปตามปกติของเขาแซลลี่เป่าลมออกจากปากเข้าห้ามไกปืนแล้วรถฐานพายไหลาตามเดิมอีกสามคนของฝ่ายตนจึงทาตาม เชื่อว่าคงจะไม่มีอะไรเพรหน้าคณะพึมพำกับคนของตนบรรยากาศมันไม่ดีเอาเสียเลยรู้สึกว่าไอ้นั่นมันจะปนเปี้ยนเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราอยู่ตลอดเวลาคิดพูดเสียงอู้อี้ในลําคอแล้วหันกลับมามองหลังเห็นบุญคํากับเชิดเว็บคมเดินคู่กันตามปกติก็ยิ้มให้พยักหน้าให้ได้ฝีเท้าเข้ามารวมกลุ่มทั้งสองจึงตามเข้ามาไปชิดกลุ่มเมื่อเกือบจะมองไม่เห็นทางเต็มที่แล้วนี่จะต้องเดินอีกไกลสักแค่ไหน คิดหันมาถามบุญคาอย่างชัดถ้อยชัดคําอีกไม่นานหรอกนายแหม่มไก่ขันก็ถึงไก่ขันหมายความว่ายังไงหล่อนเลืมตาพร่วงถามอย่างตกใจบุญคําหัวเราะเอออาอ่ะเอามือรูปหัวบุญคาพูดเล่นนะ่ะถ้าไก่ขันถึงก็แปลว่าเดินกันยันสว่านะที่อีกแค่นี้เองแค่ที่เห็นหินชุกโงกดำดำนุ่นนะ่ะเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดเดียวก็เข้าสู่มุ่บ้านแล้วเราเดินกันเร็วเกินกว่าที่กะเอาไว้แต่แรกเะอีก อย่าหลอกหน้าตาแกเบลพูดอ่อยๆไม่หลอกที่หน้านายแหม่มผมแดงแต่ขอทีบุญคำยังไม่แก่เลยเลียวแลงยังแข็งปังถึงทางแยกซ้ายเห็นถนนมีรอยคนเดิน ต, ตัดคดเคี้ยวเข้าไปสู่ในดงจากความเงียบได้ยินเสียงคนพูดกันพึมพำแว่วๆมาละพินหันมาโบกมือทางด้านนายจ้างเริ่มใช้ไฟฉายเดินทางแล้ว จัดกวาดไปรอบๆระยะนี้เองที่จะพินชลอฝีเท้าลงถึงแล้วครับอีกโค้งเดียวเท่านั้นเข้าเขตหมู่บ้านแล้วหรือยังไม่ถึงบริเวณของหมู่บ้านหรอครับหมู่บ้านซับบอลก็ต้องตัดทางไปอีกประมาณสัก500อเมตรคุณสั่งผมไว้ให้พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปยุ่งในเขตหมู่บ้านผมก็เลยสั่งให้เขาวางแคมป์อยู่ริมลาธารแต่รับรองได้ว่าเขตต้นน้ําของหมู่บ้านน้ําที่เราจะใช้ย่อมจะสะอาดกว่าต่ํากว่าหมู่บ้านรอบๆดีมาก เวน่าคณะตบไหล่เขาอีกอุดใจเดียวกลุ่มที่ติดตามมาเบื้องหลังก็มองเห็นกองไฟสว่างโชนอยู่ในบริเวณสถานที่ถากทางไว้เรียบร้อยเตี้พอสมควรตอนหนึ่งพวกลูกหาบและพันพื้นเมืองที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วปลดหาบวางแคมป์และก่อไฟหุงหาอาหารเรียบร้อยกําลังนั่งรวมกลุ่มสนทนากันอยู่ายในแจ้งถอนใจออกมายัางร่องออกเป็นปลาะหนึ่งบริเวณที่วางแคมป์อยู่กลางด่านศัตรูที่จะลงมากินน้ําในลาธารพอดี คณะนายจ้างถูกจอมพรานที่กำหนดให้ไปพักอยู่ในบริเวณผ้าขึงกันน้ำค้างและพื้นปู ด, ด้วยปลาสติกสนามในมุมหนึ่งระหว่างจอมปลวกใหญ่โรงๆสองลูกที่ขนาดอยู่โดยมีกลุ่มลูกหาของเขากระจกกัดกระจายที่นอนเป็นชุดๆรายรอบไว้กองไฟใหญ่นอกจากไฟหุงหาก่อไว้สามด้านจอมพรานมาถึงก็ตรวจบริเวณความเรียบร้อยอื่นๆอยู่ครู่หนึ่งทุกคนเห็นเขาเดินไปสอบถามคุยอะไรกัน เ, เบาๆกับพวกลูกน้องมือดี สคนที่ปล่อยให้ล่วงหน้ามาพร้อมกับลูกหาบก่อนและเหมือนจะมีการสั่งโน้มสั่งนี้กันอยู่อีกครู่หนึ่งก็เดินเข้ามาที่นะในจ้างซึ่งบัดนี้พากันนั่งบ้างนอนบ้างอยู่บนพื้นปูปผ้าพลาสติกทั้งห้าคนรวมทั้งเชิดรุ้งเดดเหนื่อยกันแทบจะลุกไม่ไหวขณะที่คิดเอาบริจีออกมาลินใส่ทุบพลาสติกแจกจ่ายเอาละครับเรียบร้อยพักผ่อนกันให้สบายแล้วทานอาหารข้ามของพวกคุณได้เลยสําหรับทางผมไม่ต้องห่วง และถ้าหากว่าผมไม่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มอยู่ด้วยก็ขอให้เข้าใจว่าผมอยู่กับคนของผมไม่กลุ่มใดก็กลุ่มหนึ่งแวดล้อมพวกคุณอยู่ใกล้ๆนี้เองถามมิตรอะไรก็ให้คนไปตามผมมาได้ขอพูดยิ้มยิมป่ารอบ ด, ด้านขณะนี้มืเสนิทลงแล้วมีแสงไฟในกองที่รายล้อมไว้สว่างดูวอกแวบกบมองเห็นเงาของสมพงุมพุ่งพลึกและแมกไม้เป็นเงาทุ้มพุ่อยู่ในระยะใกล้ <c oughs> พิษสงบัลลังก์ดีมาให้เขาดูเหมือนจะเป็นการแสดงไมตรีครั้งแรกตั้งแต่เลิอกออกเดินทางครั้งนี้และมีเรื่องต่อปากต่อคำกันมาตาสีฟ้าวาวงามของหล่อนกระทบแสงไฟเป็นประกายอา่านอะไรไม่ออกขอบคุณครับแม่มยิ้มของสภาพปรุษไทยกว้างออกไปเล็กน้อยรับมาแต่โดยดีและจิบขณะนั้นเบลกับคิดกำลังช่วยกันเป็นคนครัวสำเร็จรูปประจำคณะของฝ่ายตนเองไก ตปยกระป๋องเครื่องเรเชนขึ้นมีทั้งที่กินสดได้เลยและที่ตัอ้งอุ่นด้วยไฟายจากกอฮอซึ่งเป็นเตาแบบเบืดเยืออยู่ในกระป๋องในตอนส่วนร่างของมันเชฟวุธก็กำลังช่วยในด้านภาหนะการหลับนอนและเอาหมอนน้ำออกเ๋าลงส่วนพนักงานกำลังนั่งเหยียดขาอยู่ตรงหน้ากองสัมภาระหมายเลขหนึ่งอันเป็นเครื่องวิทยุทิเศษซึ่งพวกลูกหาบนามาตั้งไว้ให้ในบริเวณที่พักของพวกตน เพาเป็นคำสั่งที่นัดแนะกันไว้แล้วจากปะพินในทุกครั้งของการหยุดพักลูกหาบซึ่งทําหน้าที่แบบหามวิทยุเครื่องนี้จะต้องนํามามอบไว้ให้ที่ฝ่ายในจ้างทุกครั้งไปทุกคนรู้หน้าที่ดีว่าใครจะต้องทําอะไรบ้างโดยไม่ต้องเป่าซ้ําเตือนก่อนที่เขาจะขยับตัวขลับไปคริสซึ่งจ้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทักว่าเดี๋ยวประพินเจมพรานเลิกคิวทายคําถามคุณสอบถามพรานหรือลูกหาที่เดินล่วงหน้าเรามาก่อนแล้วหรือยัง สอบถามเรื่องอะไรครับแมนอิตเตอร์ e ater, สะกดหลังพวกเขามาทุกระยะน่ะและปุ่นเปี้ยนอยู่ ใ, ใกล้ๆเรานี่เองในช่วงเดินช่วงสุดท้ายที่จะถึงที่พักประเพินคืนถ้วยบรันดีที่ดื่มหมดส่งไปให้ยังไม่มีใครรู้เรื่องหรอกครับคุณไม่คิดจะบอกให้เขารู้ตัวไม่บ้างหรือว น, นาคณะงงกตัวขึ้นนั่งทานใหญ่เอาแขนปน้ายหนาบอกหรือไม่บอกไม่มีความหมายสาคัญอะไรนักหรอกครับด็อกเตอร์ถึงอย่างไรทุกคน ของพวกผมก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขตซับบอนเป็นเขตที่มีแมนอิทเตอร์ตัวหนึ่งกําลังอาราวาสอยู่ซึ่งคณะของเราจะต้องผ่านเข้ามาอยู่แล้วขอพูดอย่างเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแตเดียวผมจะเตือนให้พวกเขารู้ไว้บ้างว่ามันย่องตามหลังอยู่ย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทําตัวของพวกคุณให้สบายและปฏิบัติเท่าที่ผมขอร้องไว้เท่านั้นเป็นพอ ขอบคุณที่คนของคุณจัดเตรียมอะไรไว้ให้เราก่อนที่เราจะมาถึงอย่างเรียบร้อยทุกคนรู้หน้าที่และทํางานเป็นทีมเวิร์กกันได้ดีเหลือเกินเบลเงยหน้าขึ้นบอกหลอนพอใจกับสถานที่พักของฝ่ายตนที่พวกพานจัดไว้ให้ล่วงหน้าเป็นอย่างยิ่งละพินไม่ได้รับจ้างเป็นมกุเทศนําทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเบลเชิดหัวล้อออกมาเบาๆแต่ให้ตายเถอะเพื่อนเล่นสั่งให้วางแคมป์ดักรางด่านสัตว์ที่จะลงมากินน้ํา หวังว่าคืนนี้คงจะไม่มีช้างยกโขงขึ้นมาเดินข้ามพวกเราลงไปกินน้าลงน้าระพินประโยกหลังของเขาหันไปทางสภาพหลุดปลายระพินไัยวันหุรอบเบาๆไม่สนใจกับคำถามนั้นแต่บอกคนว่าเอาละครับพักผ่อนกันให้สบายขัดข้องหรือต้องการอะไรก็บอกกับคนของผมประเดี๋ยวผมจะมาใหม่จนคำพูดเขาหันกลับไปแล้วหายเข้าไปในหมู่พวกลูกถามที่ตัดใจสนใจกันอยู่รอบๆบริเวณนั้นเพื่จ้องมองตามหลังไปเงียบ เอ๊เมื่อกี้นี่คุณถามอะไรพขาหน้าวช้างอะไรจะเดินลงมากินน้ําในลําพุ่งข้างล่างนี่หรือพูดเล่นน่ะคนตรีเชิดวศผู้เคยเดินป่าล่าสัตว์สมัครเล่นมาก่อนบ้างแล้วบอกคนหัวเราะพวกคุณอาจจะไม่สังเกตรหรือไม่มีความรู้มาก่อนก็ได้เกี่ยวกับการล่าสัตว์คือผมหมายความว่าที่พักของเรานี่น่ะตั้งดักอยู่กลางเส้นทางสัตว์เดินซึ่งจะต้องเดินลงมากินน้ําในลําพุ่งข้างล่างห่างจากที่เราวางแคมป์อยู่ แค่ามสิบเมตรเท่านั้นเวลากลางคืนสัตว์ป่ามันจะต้องอาศัยลงมากินน้ําในห้วยนั่นตามปกติก็อาศัยเส้นทางหรือที่เรียกกันว่าด่านนี่แหละทีนี้พ่อพานของเราเล่นสั่งให้ลูกน้องวางแคมป์ขวางเส้นทางเดินของสัตว์ที่จะลงมากินน้ำพอดีฤ ด, ดูนี้ประดูดูแลงด้วยน้ำในป่ามันหายากสัตว์ป่าจะต้องรู้ว่าแหล่งไหน ม, มีน้ําอยู่บ้างและจะมุ่งมาตามแหล่งน้ํานั้น แต่แคมของเรานะี่ยมาวางขวางดักหน้าสกัดกั้นเส้นทางของมันแบบนี้มันก็ลงมากินน้ําไม่ได้เท่ากับเป็นการขัดผลประโยชน์ของมันประเดี๋ยวช้างทั้งโครงมันโกรธก็เลยจะเดินลุยลงมาเสียเท่านั้นแต่ที่ผมพูดนะผมพูดล้อเล่นแนหะไม่มีช้างหรือสัตว์ ร, ร้ายตัวไหนกล้าเดินผ่านลงมาได้หรอกเมื่อเร า, าพักตั้งอยู่ที่นี่เอ๊ะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะช้างทั้งโครงอาจจะสวนสนามลงมาก็ได้ถ้ามันต้องการน้ำและเราไปขวางเส้นทางของมัน ตัวนั่นเล่นตลกอะไรขึ้นมาอีกแล้วสิเขาควรจะหรีกเลี่ยงเส้นทางของมันทนจะถูกคิดโวยวายจะรีจุปากเบาๆบกมือหยุดบวยวายไม่เข้าเรื่องสธิชนาคิดเรามอบความรับผิดชอบในการเดินทางทุกสิ่ทุกอย่างให้แก่เขาแล้วคนคนนี้จะต้องรู้ดีเกินกว่าที่เราจะไปทักท้วงหรือสังสอนอะไรก็ได้หน่าดูนาน่าดูน่าดูทีเดียวพุชชนะพึมพมเบาๆเหมือนกับจะกล่าวกับตนเอง มือเขาช่วปพลาสติกที่ระพินส่งคืนมาให้เบลนั่งถอดรองเท้าอยู่ใกล้ๆก็ถามเบาเป็นการคุยกันเองตามมันพังว่าหน้าดูยังไงสมัยความว่ายังไงเคสเพื่อนสาวผมทองยักไหลเบ้ปากนิดหนึ่งฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันความสุภาพเรียบร้อยถําตนฉันสังเกตจากสายตาท่าทีในส่วนเรื่องของเขาเห็นแวลอยิงยะโสเชื่อมั่นในตนเองและอะไรที่กินลึกอีกหลายอย่างที่ยังค้นไม่พบแต่ที่รู้แน่ๆก็คือ พวกเราทั้งหมดอยู่ในระหว่างการทดสอบของเขาแล้วในเรื่องความลำบากยากแค้นทุกชนิดในเส้นทางเดินครั้งนี้ดาร์กแอนด์แฮนซัมแต่ไม่ค่อยจะทอลรู้เธอว่ายังไงตามหลักของจิตวิทยาแล้วคนตัวเล็กๆอย่างนี้แหละร้ายกาจ ย, ยิ่งกว่าคนตัวโตเสียอีกฉันไม่สงสัยเลยว่าทําไมเขาถึงได้ยิ่งใหญ่น้นักในป่าอยู่ในเมืองก็เหมือนคนธรรมดาไม่มีพิษสงอะไรทั้งสิ้นแต่พอเกลื่อนเข้ามากับป่าเท่านั้นกลายเป็นคนละคนไปเลย ฉันไม่ชอบแววตาของเขาเลยมันเต็มไปได้วยความเคร้าวแข็งทาเย็นและแฝงรอยหยันอยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ต่อเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนี่นาตั้งแต่ออกเดินทางกันมาแล้วคนเรามันก็ต้องลองกันดูบ้างเหมือนกันสะกวันเมืองเถอะคงจะได้ตกให้สักฉาติสองชาติเบลหัวละมองตาเชิดสาวอย่างเท่าทันความคิดฉันว่าเธอไม่มีโอกาสจะทําอย่างนั้นได้หรอกนาเพราะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เธอต้องตกเขาได้เลยสําหรับเชิดบุตเราก็ไม่แน่ ว่าแต่เธออยากจะตบเขาทําไมเพื่อยั่วยุให้เขาปล้าเธออย่างนั้นนะเหรอรูสไม่ตอบแต่ยิ้มนิดหนึ่งนิ่งไปครู่รูสิบถอดรองเท้าถอดออกเพื่อคลายความอับที่สวมเดินทางมาตลอดทั้งวันเป็นการผึ่งอากาศแล้วก็ซิฟว่าแต่ฉันรู้ว่าเธอชอบเขาเบลลเล้อคิวนิดหนึ่งไม่เลวทีเดียวแหละมิสเตอร์ฮันเตอร์คนนี้ฉันยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนหรือเชื้อชาติไหนมีมาดอย่างนี้มาก่อนเลยเขาไม่เหมือนใครที่ฉันพบเห็นมาสักคนเดียวแมนทั้งตัวทีเดียว ฉันชอบตอนที่เขาเดินอยู่ในป่าการเคลื่อนไหวทุกชนิดท่ามกลางคงภัยอาการที่น่าดูที่สุดตอนไหนจะรู้ไหมฉันอาจจะไม่สังเกตได้รุจซึ่งเท่าเธอก็ได้ฉันว่าเธอมองเขารึกยิ่งกว่าฉันอีกแต่สําหรับฉันจะบอกให้ก็ได้ท่าชี้ที่เขาจับไรเฟิลชูสูงขึ้นในท่าระวังพร้อมขณะที่ช้างตัวนั้นมันวิ่งชา้าเข้าใส่นั่นแหละเขาไม่ได้ประทับปลายเตรียมยิงแต่คือปืนเตรียมพร้อมอยู่เฉย ฉันไม่ได้เห็นอะไรถนัดนในตอนนั้นแต่ฉันทึ่งในท่าที่เขาเอานิ้วดันปีกหัวให้เสยขึ้นจากการปิดคลุมหน้าผากของเขาไอหมวกส ป, ปลังเคฟ โ, โลโกโสของเขาใบที่พรอบหัวอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นเขานั่นแหละสมาท์กายพอมือสนิทอากาศที่เย็นก็กลายเป็นหนาวเจือกเลทันทีการเดินตำมาทั้งวันซึ่งผ่านความร้อนระอุมาชนิดเหนือชุ่มโชกแปรเปลี่ยนเป็นตรงข้าม ไม่มีใครคิดที่จะอยากสัมผัส น, น้ําและเหงือก็แห้งหายไปหมดสิ้นส่วนายจ้างเริ่มรับานอาหารและรวมกลุ่มคุยกันอยู่เบาๆรอบด้านเป็นกลุ่มของลูกหาประทานเพื่นเมืองที่ต่อไฟสุกชุมนึงกินอาหารกันเป็นจุดๆล้อมรอบทุกด้านมองแล้วก็ดูเป็นที่อบอุ่นน่าสบายปลอดภัยเสียงพวกนั้นคุยกันสนุกนานเฮฮาคงจะมีเหล้าปา่าพวกติดตักันมาด้วย เพลินไพวันยังไม่โผล่เงาไม่เห็นไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ในกลุ่มไหนหรือเดินออกไปที่ใดบรรยากาศสงบเรียบร้อยดีคุณมนายจ้างเรียบร้อยในเรื่องอาหารคิดเริ่มใช้ชุ้ทันทีเชิดวัดคุยอยู่กับสเตลลี่หัวน้าณะบางขณะก็พูดเล่นหยอกเย้ากับแม่มสาวสองคนนั่นทําเป็นไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นแต่พยายามเงี่ยหูฟังเสียงพูดติดต่อวิทยุของคิดซึ่งใช้หูฟังแบบเอียร์โฟนโดยไม่มีโดยไม่มีใครสามารถได้ยินได้นอกจากจะได้ยินเสียงพูดของคิดฝ่ายเดียวเท่านั้น คำพูดทุกคำเป็นรหัสทั้งสิ้นแทนที่โดยเฉพาะวางอยู่หน้าตากของพันเอกราลิคีสพร้อมทั้งปกากกาส่วนมากมันเป็นตัวเลขเท่าที่กวเขาเนี่ยหูฟังและชื่อของสถานที่หรือบุคคลไม่ทราบได้ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งนายทหารอย่างเชิดวุฒิหนักดีว่าใช้แทนความหมายแทนบุคคลหรือแทนสถานที่จุดหมายที่คิดเรียกเขาจำได้แม่นยำแน่แ น, น, น, นอนเพราะได้ยินอยู่สองครั้งแล้วคืออีสาน เขาเชื่อว่านั่นคือฉันนี้อยฟ้ากลางอากาศที่มีเพดานบินสูงเ็กินกว่าที่เรดาจะจับได้มันก็คือเครื่องบินจรกรรมทันสมัยสุดยอดของกังทับอากาศของสหรัฐนั่นเองพูดหนึ่งคงจะหมายถึงตัวดรสเปนลี่หัวหน้าคณะพูดสองก็อาจจะเป็นหมายถึงตัวคิดเองพูดสามและพูดสี่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากคริสและเบลซึ่งไม่ทราบว่าในระหว่างสองหญิงนี่ใครแทนสามและใครแทนสี่ ขาอความพูดติดต่อที่เงี้ยวหูฟังนั้นมีการกล่าวถึงทบดตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสี่ส่วนตัวเขาเองที่ร่วมคณะมาด้วยเชื้วิทยุจะไม่สามารถจับได้ว่าคิดแอนเป็นพนาการรักงานวิทยุจะใช้รหัสอะไรหรือมีชื่ออยู่ในรหัสนั้นด้วยหรือเปล่าการติดต่อคงจะเรียบร้อยดีมากไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นเครื่องรับส่งทํา ง, งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสังเกตจากสนหน้าของคิดและปากที่พูดพูดพูดและหยุดเป็นจังหวะ อยู่ตลอดเวลาขณะนั้นเองก็มีเสียงกูบวกดังแว่วมาจากที่ใดที่หนึ่งไม่ห่างออกไปนักเป็นเวลาเดียวกับที่คิดเลิกการติดต่อวิยุทุกคนไ่ในายแจ้งเงี่ยหูและมองดูหน้ากันทางด้านคนของรพินกูตอบออกไปและมีเสียงในภาษาเกรียงตะโกนตอบมาทั่วคู่เดียวมองเห็นแสงคบเพลิงแหวงสว่างบุบบ้าไปมาแดงแจมาจากปากทางที่แยกลงมาวางแขนเป็นอยู่ เจ้าลหาส่วนมากยังคงนั่งหรือนอนพักกันตาปฏิยาใสและบางส่วนก็ลุกขึ้นมองเห็นไม่ถนักนักในแสงสว่างวับแวบดจากกองไฟที่กองไว้รอบด้านนั้นรู้สึกว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งมาที่แคมป์ของเราและคงจะคุ้นเคยกับพวกนี้ดีมาก่อนแล้วโคหนะ้นะนาคหน้าคณะก่าวเบาๆขณะที่ใช้ไฟฉายแบบเดนนารายส่องปาดออกไปใครพวกไหนที่ถามส่งออกไปตามภาษาคนมีปากก็พูด เชิดพุธพยังสังเกตในเงามืดและรอฟังผลอยู่สองแม่มสาวก็พลอยลุกขึ้นยืนด้วยแล้วขณะนั้นเองจันก็เดินตรงเข้ามายัางที่พักของนายจ้างบอกกับดรสเตอรี่ว่าในห้างหัวหน้าหมู่บ้านซับบอลมาหาพาันใหญ่กำลังนั่งคุยกันอยู่ทางโน้นพันใหญ่ให้ผมมาตามนายห้างไปพบรู้ไหมเขามาเรื่องอะไรสเตอรี่ถามอย่างตื่นตื่นก็คงจะเรื่องเสือตัวนั้นนั่นแหละพวกนั้นมากันเจ็ดปดคนพัวคณะหันเรียกหน้ากับ พ, พวกทุกคน ไปเราออกไปพบเขาสักหน่อยถ่าทางคืนมันไม่ค่อยจะดีนักทุกคนคว้าเปืนไปจำมือเบลกับเครือสวมรองเท้าทันทีเชิดวดนนั้นร่วงหน้าไปก่อนแล้วทันทีที่ได้รับข่าว